แทนคําว่าวิถีคือใช้คําว่าจักสุทวานโศตทวารคานทวารจิวหาทวารกายทวาลและมโนโทวารจักรสุวิญญาณแปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหรือเกิดขึ้นโดยอาศัยตาก็คือการเห็นโศตวิญญาณแปลว่า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 จงสังเกตว่าเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นทางตาก็ปรากฏเป็นการเห็นเมื่อเกิดขึ้นทางหูก็ปรากฏเป็นการได้ยินเมื่อเกิดขึ้นทางจมูกก็ปรากฏเป็นการรู้สึกกลิ่นเมื่อเกิดขึ้นทางลิ้นก็ปรากฏเป็นการรู้สึกรสเมื่อเกิดขึ้นทางกายก็ปรากฏเป็นการรู้สึกสัมผัสต่างๆเมื่อปรากฏขึ้นทางใจก็เป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง